Mm hmm.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 ไม่ได้ทำด้วยความอยากถ้าทำด้วยความอยากมีความมุ่งมั่นมากๆจนหน้าดำค่าเครง่งอันนี้ก็ไม่ดีนะแม้กระทั่งความเพียร น, นะเพียร น, น้อยไปนี่ไม่ดีแน่แต่เพียรมากไปก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันไอ้ความเพียรมากไปนี่ก็สัมพันธ์กับความอยากด้วยนะ หากว่ามุ่งมั่นมากอยากจะบรรลุธรรมเร็วๆก็อาจจะส่งผลให้มีความเพียนมากไปเกิดปัญหาขึ้นมาได้อย่างในสมัยพุทธกาลก็มีพระรูปหนึ่งชื่อพระสนะพระโสนนี่ก็มีหลายรูปนะองค์นี้ชื่อว่าพระสนะโกริวิสระโกริวิสระนี่ก็เป็นธําขยาย ท่านก็มาบวชแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติมากเรียกว่ามีความเพียรเต็มร้อยหรือเกินร้อยท่านก็เดินจงกรมนะทั้งวันทั้งคืนเลยสมัยก่อนพ้าไม่มีรองเท้านะท่านก็เดินจงกรมในเท้าเปล่าแต่ว่าท่านเป็นผลประเภทที่รักสุขุมมลชาติเป็นผู้ดีเท้านี่ก็บอบบาง เดินจงกรมมากๆในสุดเท้าแตกเท้าแตกท่านก็ไม่หยุดเดินนะท่านก็เดินจนกระทั่งเลือดมันไหลเป็นทางท้ายก็เดินไม่ได้นะต้องใช้วิธีคลานเนานี่ท่านขยันมากท่านเพียรหนักมากเลยท่านใช้วิธีใช้มือกับขขานี่แหละขขาก็แตกนะเลือดไหลมีความทุกข์มาก ไม้ทุกกายไม่เท่าไหร่แต่ทุกใจสิเพราะว่าปฏิบัติขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นอะไรเลยมีความอยากจะบรรลุมากนะแต่ว่ายิ่งไม่เห็นผลก็ยิ่งมีความทุกข์มีความเครียดสุดท้ายก็เลยท้อแท้มีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะศึกปัจวุาัานนี้คงปฏิบัติไม่ได้แล้วละ่ะ พระพุทโ์ทรงมียานอย่างทราบนะความคิดของพระโสนะก็เลยเสด็จมาแล้วก็มาแนะนำมาแนะนำให้วางใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับนักดนตรีนักดิดพินพระสนะนี่เดิมก็เป็นนักดิดพินนะพระพุทธเจ้าก็ เอาตัวอย่างที่พระโสดานี่คุ้นเคยก็คือว่าพินเนี่ยมันเป็นพินสามสายผู้จาก็ูก้ประมาว่าเนี่ยพินถ้าว่าขึงตึงเกินไปดีดไม่นานสายก็ขาดแต่ถ้าหากว่าขึงหย่อนเกินไปดีดก็เสียงไม่ไพเราะนะต้องขึงให้มัน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 ความเพียรความขยันแบบสายกลางแต่ที่จริงยังไม่ถูกนะคาว่าสายกลางนี้มันมีความหมายความหมายหนึ่งถ้าพูดถึงความพอดีเช่นความเพียรแต่พอดีเนี่ยมันมีคำหนึ่งนะอย่างเช่นคาว่าวิรยสมาตาวิรยสมาตาคือความเพียรแต่พอดีความพอดีนี่มันเป็นเรื่องของความหมายที่ว่าไม่มากไม่น้อย ซึ่งจะแตกต่างจากทางสายกลางถ้าหากว่าปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นมากๆมากเกินไปมันเป็นปัญหาได้มีหลายกรณีที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ได้เตือนหรือว่าได้ใช้อุบายในเวลาเจอคนที่ มีความมุ่งมั่นมากมีไฟมากอยากจะปฏิบัตินะอยากจะอยากจะปฏิบัติเต็มที่เลยหรืออยากจะฟังทำอย่างเต็มที่เลยในใจเร่าร้อนมากเนี่ยพระองค์ก็จะจะไม่รีบแสดงธรรมอย่างเช่นที่เคยเล่าเรื่องภาหิยะพายินี่เคยคิดว่าตัวเป็นพระอรหรันต์ตอนหลังเทวดามากระิบบอกว่าไม่ท่านน่ะไม่ใช่หรอกนะพระอรหันต์ที่แท้นี่อยู่ที่กรุงสวัรคถี พายานี่อยากจะพ้นทุกข์มากก็ไม่ลีลออเลยนะเดินรีบรุดไปหาพระพุทธเจ้าเดินด้วยเท้าเปล่าทั้งวันทั้งคืนระยะทางก็หลายร้อยโยศไฟนี่แรงมากต้องรีบไปพบพระพุทธเจ้าให้ได้ก็ไปถึงสาวัตถีตอนเช้า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 ใจไม่โปร่งใจไม่เบาใจไม่เปิดก็เลยปฏิเสธว่ายังไม่ใช่เวลาภัยยาก็ยืนกรานพระงกับปฏิเสธอีกนะปฏิเสธ3มครั้งแต่หลังจากนั้นพระองค์คงว่าภัยยานเนี่ยนะจิตใจคงจะลดระดับนะความมุ่งมั่นลงความเร่าร้อน ก็คงบรรเทาลงแล้วพร้อมที่จะรับฟังธรรมมาแล้วถึงตอนนั้นแหละพระองค์ถึงได้แสดงธรรมก็แสดงธรรมไม่ยาวนะได้ตรัสว่าเนี่ยเมื่อเห็นสัจตรรมเห็นเมื่อได้ยินสัตธะรมได้ยินเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สัตธะรมรับรู้อารมณ์เมื่อรู้ธรรมก็สัจธรรมเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสอง นั่นแหละที่สูดแห่งทุกตัวเธอในที่เดินมาถึงความยึดเป็นตัวตนหรืออัตตาความยึดมั่นถือมั่ว่ามีตัวกูตัวฉันนั่นแหละพอแสดงทำสั้นๆตอนนี้พายยุก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหานตทันทีเลยได้ชื่อว่าเป็นเอตทัตคะหรือผู้เป็นเลิศด้านการรู้ธรรมแบบฉับพลันแต่ไม่ทันได้บวช น, นะก็โดนวัวขิดตายซะก่อนตรงไม่ไกลาจากที่นั่น ท่านก็จะไปเอาไปหาบริขารแต่ว่าบัวไปเจอบัวในที่แคบหนีไม่พ้นก็โดนบัวขิด ต, ตายอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งนะที่เชฉลิมพระองค์เนี่ยทรงรู้ว่าเนี่ยเวลาใดหรือภาวะจิตใจใดที่เหมาะการแสดงธรรมหรือเหมาะการฟังธรรมถ้ามีไฟแรงมุ่งมั่นนีพระองค์ก็จะมักจะทวง อย่างมีกรณีหนึ่งคือท่านพระเมขียะพระเมขียะนี้เคยเป็นอุปัถาของพระพุทธเจ้าก่อนพระอานนทนะ์วันหนึ่งก็เดินตามพระพุทธเจ้าไปเห็นสวนมะม่วงรื่นรมงมากก็เกิดความอยากจะไปปฏิบัติทันทีเลยทูลลาพระพุทธเจ้าว่าขอจะไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็คงเห็นว่า ความมุ่งมั่นของพระมีคิยะอย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติก็ก็ห้ามเอาไว้โดยให้เหตุผลว่าขอให้รอให้มีผู้มาอุปถัมภ์พระองค์ก่อนพระมีคิยะก็ไม่ยอมพรงทวงถึงสาครั้งพระมีคิยะก็ยังยืนกลานนะว่าจะไปปฏิบัติไฟแรงนะไฟแรงแบบเรียกว่าไม่ยอมฟังแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปปฏิบัตินะ เรียววิเวกไปอยู่ที่สวนมะม่วงนั้นเนี่ยก็ได้เรื่องเลยนะเพราะว่าใจฟุ้งซ่านมากอารมาณ์อกุศลนา น, านาชนิดครอบงำไม่พบกความสงบเลยเปรียดพุกสุดท้ายต้องเลิกนะกลับมากลับมาฟ้าพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์เตือนแล้วนะเพราะรู้ว่าถ้าหากว่าใจเนี่ยนะมีความมุ่งมั่นมาก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 อย่างที่เรารู้จักกันดีนะการสุขคันธิการนิโยคหรือการหมกบุ่นในการกับอัตากเรียนบรรดาธิโยคการทรมานตนเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะระหว่างการหมกบุญในการกับการทรมานตนมันไม่ใช่เรื่องความมากหรือน้อยแต่มันเป็นเรื่องของคนละประเภทเป็นเรื่องของคนละประเภทเลยคนละชนิดคนละทิศคนละทางเนยอะไรที่มัน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 เราเข้าใจผิดกันเยอะเข้าใจผิดในความหมายเนื้อคือว่าไปไปมองว่าอะไรที่มันไม่น้อยไม่มากอันนี้รู้ว่าเป็นทางสายกลางันได้ไม่ใช่แล้วก็ที่เข้าใจผิดประการ ก, ก, ก็คือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของหรือมันมีความหมายแค่การหมกบุญในการกับการทรมานตนพอเข้าใจแบบนี้ก็เลยเชื่อไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่ได้ถึงกับหมกบุญในการ แลเราก็ไม่ได้ทรมานตนอย่างฤาษีถ้าเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็จะคิดว่าเรานี่ก็ทางสายกลางแต่ไม่ใช่หรอกทางสายกลางมันมีความหมายามากกว่านั้นเช่นเวลาเจอสุขเวทนาใจก็เคริ้มในสุขเวทนานั้นแต่เวลาเจอทุกขเวทนาก็จมหมกอยู่ในทุกนั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสุดตรงนะ พวกเราคงจะเป็นอย่างนี้กันไม่น้อยนะเวลาเจอสุขก็จมในสุขเวลาเจอทุกข์หรืออยู่ในเวลาเจออารมณ์ที่เศร้าหมองก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละดีใจก็ดีใจหายเวลาเสียใจก็เสียใจจนหมดเนื้อหมดตัวเวลารักใครก็ทุ่มเทเวลาเกลียดนะเวลาโกรธก็ เห็นเป็นศัตรูเนี่ยเกลียดแบบทุ่มเทเหมือนกันเคยได้ยินไหมเกลียดแบบทุ่มเทโกรธแบบทุ่มเทเนีนอนก็คิดกินก็คิดอยู่กับลูกหยกคนรักก็ยังคิดเป็นคนที่เป็นศัตรู น, นั้นก็เรียกว่าเป็นทางสุดโต่งเหมือนกันนะั่นไม่ใช่ทางสายกลางหรือว่าเวลาลองมาปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่า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 อนนันก็สุดตรงนะสุดตรงสองทางทางแรกก็คือตามใจกิเลสตามใจอารมณ์ตามอารมณ์ปล่อยใจไปตามอารมณ์สุดตรงอันนี้คือพยายามกดข่มมันเอาไว้แล้วปฏิบัติจำนวนไม่น้อยก็เบี่ยงมาสุดตรงแบบนี้ก่อนปฏิบัติก็ส่งจิตออกนอกนะแต่พื่อพือพ อ, พอมาปฏิบัติก็เพ่งจิตเข้าใน พยายามมาดักเฝ้าดูความคิดนั่นก็สุดโตรงนะคนส่วนใหญ่ก็จะสุดโตรงแบบนี้แหละระหว่างส่งจิตออกนอกกับพุ่งจิตเข้าในก่อนปฏิบัติก็ปล่อยใจปล่อยใจลอยพอมาปฏิบัตินะก็พยายามที่จะบังคับควบคุมจิตควบคุมจิตไม่ให้กระดิกกระเดียเลย ซึ่งก็มักจะไม่สำเร็จนะแต่ก็ยังอยากจะทำเพราะว่าส่วนเพราะความอยากอยากจะให้จิตสงบอยากจะบรรลุคุณวิเศษนะนี่ก็สุดตรงนะปล่อยใจลอยนะกับบังคับควบคุมจิตตามใจกิเลสนะกับกดขนอารมณ์กดข่มกิเลส กดขม่มคิเลนี่มันก็มันก็ดีนะแต่ถ้าเราทําอย่างนี้กับการปฏิบัติทำตั้งวันตั้งคืนเอาแต่กดขม่มกิเลนี่นะกดเช่นกดขม่มความโกรธกดขม่มความอยากอันนี้ก็จะในสื่อก็จะเป็นทุกข์จะเครียดนอกปฏิบัติจำนวนมากก็ไม่ได้เดินทางสายกลางคือถ้าไม่เผลอก็เพ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยนะ ก็จะเวียงไปสองข้างนี่แหละเผอกกับเพ่งเผอกกับเพ่งส่งจิตออกนอกรอบพุ่งจิตเข้าในและสุดท้ายนี่ก็เกิดอะไรขึ้นบางครั้งก็ฟุง้งบางครั้งก็เครียดถ้าสังเกตดูใจเราไหมแล้วก็เวี่ยงไปสุดตรงสองข้างแบบนี้แหละเผอกกับเพ่งฟุ้งกับเครียดทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางคือว่า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 หลายคนไม่ชอบแบบนี้ก็เลยเบี่ยงไปทานคือกดข่มมันเอาไว้อันนั้นไม่ใช่ทางสายกลางคือรู้ทันมันหรือที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนใช่คำว่ารู้เฉยเฉยรู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงกดข่มบังคับควบคุมมันแล้วก็ไม่ไปทําตามมันเห็นไหมว่าทางสายกลางคือตรงนี้แหละไม่ใช่ทั้งส่งจิตออกนอกแล้วก็ไม่ใช่ทั้ง พุ่งจิตเข้าไหนรู้ในรู้นอกแต่เมื่อรู้นอกก็ไม่ใช่ปล่อยใจลอยไปตามสิ่งไปตามรูรถ์เป่นเสียงที่มากระทบแล้วขณะเดียกันก็ไม่ได้มุง่งพุ่งบังคับผว้คุมจิตคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักทางสายกลางนี้แหละรู้จักแต่ทางสุดตรงซีกใดซีกหนึ่งแม้มาปฏิบัติแล้วก็ยังถ้าไม่เผลอก็เพ่ง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 สังเกตไม่เวลาคนเศร้าเนี่ยเขาชอบเปิดเพลงเศร้าๆเพราะว่ามันมีรสชาติเพราะว่าใหญ่จมอยู่ในความเศร้าอันนี้ก็เป็นสุดตรงนะพอมาปฏิบัติรู้ว่าเศร้าไม่ดีก็ไปกดข่มความเศร้าพยายามปฏิเสธพยายามทําใจให้เบิกบานแล้วก็ไม่ยอมรับความเศร้ากดข่มมันเอาไว้อันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันทางสายกลางคือเพียงแค่รู้นะรู้ว่ามัน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 ถ้าเป็นอย่างนี้กันเยอะนะเวลาปฏิบัติเนี่ยกดข่มความคิดความคิดมันก็จางคลายหายไปก็ดีใจนะแต่พอจะเข้านอนออความคิดมันที่มันที่มันถูกกดมันไม่ได้หายไปไหนแล้วมันก็รอจังหวะพอเราเผลอพอเราจะเข้านอนสติเริ่มอ่อนมันก็ยิ่งโผล่มาเลยพลั่งพลูออกมาตอนนั้น ออกมาแบบที่เรียกว่าเขื่อนทะลักทลายเลยก็มีพ่อไปกดข่มมันไว้มันก็หลบหลบที่เรียกหลบในแล้วก็คอยโผล่มาทีเผลออันนี้พอไม่รู้จักทางสายกลางก็คือว่าเรลรู้ที่จะอยู่รักษาใจให้เป็นกลางๆงการรู้เนี่ยนะรู้ทันรู้เฉยๆหรือว่าวางใจเป็นกลางอันนี้เป็นความหมายเดียวกัน วางใจเป็นกลางคือไม่ชอบไม่ชังไม่ผักใสไม่ไ ข, ขว่คว้าข้วางใจเป็นกลางก็บอกอยู่แล้วนะคือว่านั่นแหละคือทางสายกลางจริง ท, ทางสายกลางยังมันยังมีความหมายมากกว่านั้นนะก็เช่นเดียวกับทางสุดโต่งเนี่ยมันมีความหมายมากกว่า น, นั้นมากกว่าที่พูดมาเช่นคนที่หลงชั่วหลงชั่วนี่ก็ถือว่า สุดตรงทางหนึ่งอีกสุดโตงหนึงก็ติดดีติดดีหลงชั่วนี่ก็มันทุกอยู่แล้วละ่ะพวกเห็นกลุงจักเป็นดอกบัวเห็นว่าการทำปิดสีเนี่ยนะเป็นเป็นของดีอันนี้เราพวกหลงชั่วอันนี้ประเภทว่ากล้าทำชั่วนะกลัวทำดีแต่ติดดีก็สุดโตมกันนะ ติดดีนี่ก็ทำให้ทุกข์เหมือนกันเช่นเวลาคนอื่นไม่ดีเหมือนตัวลูกไม่ดีเหมือนตัวเพื่อนไม่ดีเหมือนตัวก็ทุกข์แม่พ่อไม่ดีเหมือนตัวก็ทุกข์ก่อนมาศึกษาธรรมก็ไม่ได้เกียดพ่อนะแต่พอมาศึกษาธรรมรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมก็เริ่มเกียดพ่อละเพราะพ่อกินเหล้าพ่อชอบเล่นไพ่พ่อเจ้าชูนะก็เกิดทุกข์อีแบบหนึ่งว่ า, วา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 ทำไมคนไม่เห็นความดีของเราหลายคนก็เป็นทุกข์มากนะตัดพ่อว่าทำไมาไม่เ็นความดีของเราทำไมเจ้านายไม่ขึ้นขั้นไม่ขึ้นเงินเดือนให้ทำไมเขาไม่ชมเรานะติดดีเหมือนกันหรือเห็นคนอื่นดีกว่าตัวบางทีนักปฏิบัตินี่อิจฉานะเห็นเพื่อนนักปฏิบัติก็ตื่นเช้าตีสอง หรือว่าเขาทำความเพียนแทนที่จะอนุโมทนาหรือมีมุทิตาจิตเขานะกับอิจฉาเขาหรือว่าครูบาอาจารย์ชมชมเพื่อนนะว่าปฏิบัติดีขยันเราอิจชาเขาเลยอันนี้ก็เป็นอาการความติดดีแบบหนึ่งก็ทำให้ทุกไม่ต้องพูดถึงว่าดูถูกคนอื่นนะเพราะว่า เห็นว่าหรือคิดว่าเราปฏิบัติดีกว่าเขาเรามีศีลมากกว่าเขาเราแข่งกว่าเขาอันนี้เรียกว่าติดดีแบบหนึ่งซึ่งทําให้เป็นทุกข์นั่นจะได้ว่าในทางสุดโต่งเนี่ยเราก็ปุ้ดชนคนทั่วไปก็เป็นกันแนมะ้กระทั่งนักปฏิบัติสําหรับทางสายกลางนะก็คือไม่ติดดีแต่ก็ไม่ไม่เห็นความชั่วเป็นสิ่งที่ดี รู้ว่าชั่วไม่ดีแล้วก็ไม่ทําทำแต่ความดีแต่ไม่ติดในในดีนั้นไม่ยอมให้ความดีกัดเจ้าของอย่างที่อาจาจยพูดทาทว่าติดดีเมื่อไหร่ก็ความดีก็กัดทำร้ายตัวเองเมื่อ น, นั้นครูาอาจารย์สอนนะว่าธรรมะนี่เหมือนกับแพนะธรรมะเหมือนกับแพเมื่อแพนี่พาข้ามฝั่งพาข้ามไปถึงฝั่งแล้วก็ต้อง ก็ต้องวางแพรนั้นไม่มีใครที่จะขนแพรขึ้นฝั่งขึ้นตะลิ่งไปด้วยนะคนทำเช่นน้ก็โง่ธรรมะเป็นเหมือนกับพ่วงแพรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องติดในสิ่งที่ต้องแบกธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ช่วยในการขัดเกลาจิตใจให้ประณีต แล้วก็ทำให้เกิดปัญญาสว่างสวัยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมายึดติดถือมั่นอันที่พู้มาทั้งหมดนี้คงจะแยกคงจะเห็นชัดนะว่าไอ้เรื่องความพอดีกับทางสายกลางเนี่ยมันคนละอันกันทำอะไรแต่พอดีนี่เราไม่เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางนี่มันเป็นเรื่องของการที่ต้องใช้ปัญญาเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ไม่พลัดเข้าไปในทางที่ผิดทั้งสองทางซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องน้อยหรือมากนะในความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องของการที่ไม่น้อยไม่มากเช่นกินข้าแต่พอดีก็คือไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปทําความเพียรแต่พอดีคือไม่น้อยแล้วก็ไม่มากเกินไปงั้นถ้าเราแยกแยกได้ว่าความพอดีกับทางสายการณียคนละอันนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่นะแล้วก็พยายามที่จะปรับใจของเราเนี่ยให้ ให้พอดีในด้านหนึ่งและขณะเดีวยวกันก็วางใจของเราให้อยู่บนทางสายกลางรวมทั้งการดวลชีวิตของเราด้วยมันก็จะประสบกับความเจริญ